ไม่เสียงเลยอ่ลาลังทำต่อเพื่อให้เป็นส่วนประกอบการศึกษาปฏิบัติที่พวกเรากำลังทำอยู่ศึกษาอยู่การปฏิบัติธรรมการเจริญสติเป็นสูตรหนึ่งเพื่อ ให้เกิดชีวิตที่ว่าขึ้นมาให้เป็นประโยชน์เราศึกษาสูตรมาหลายสูตรเป็นศาสตร์เป็นอาชีพศึกษาเรื่องใดก็รู้เรื่องนั้นทำเรื่องนั้นได้กามเป็นหมอดูจับโรคดูจับยาดูจับรักษา ใช่ได้วิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ศึกษาชีวิตรุ่นร่วนถ้าเราไม่ศึกษามันก็เป็นทุกข์เป็นโทษได้เพราะมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแน่นอน ทุกเป็นทุกหลงเป็นหลงโกรธเป็นโกรธมานานเท่าไรเพิ่ิดเพิ่ในความงมเมาเพิ่ิเปินในความหลงเพิ่ดเปิ่ในความประมาทก็ได้สิ่งเหล่านั่นไปทุกเป็นทุกหลงเป็นหลงโกรธเป็นโกรธครั้งแล้วครั้งเล่าจะให้เป็นเช่นนั่น ตลอดไปหรืออย่างไรเราจะต้องยอมหรือเก็บเป็นเ ก, ก, ก็บเกะเป็นเกะตายเป็นตายหรือเอาความเกะความเก็บความตายเป็นทุกข์หรือมีถามที่ศึกษาได้หรือไม่ลองเจ้ชีวิตของเราศึกษาดู มีผู้ที่ทำได้แล้วเพื่อพระพุทธเจ้าในชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะรู้แจ้งในเรื่องนี้เนือการเขื่ เ, เจ็บตายให้เหล่าสาวกเป็นหมื่นเป็นแสนรูปรูกตามพระองค์ จนมาถึงพวกเราทุกวันนี้รู้อะไรจึงเป็นพระเจ้ารู้อะไรจึงเหงาการเกิดเจ็บตายเพราได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นว่าพุระเจ้าเพราได้เห็นพระพเจ้าผู้นั้นเห็นธรรมเพราได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้ใดเห็นปฏดิจ่าสมบบาทพวกนั้นเชื่อว่าเห็นธรรมคืออะไรอยู่ที่ไหนมีสูตรสูตรก็คือนี่เรากาลังศึกษาอยู่นี่ทำอยู่นี้กายกายานุปสิวิรลติไม่ชติไปในกายเริ่มต้นที่ตรงนี้ก่อนที่จะเกิดพทะเจ้าขึ้นมา เกิดอยู่ที่นี่มีสติไปในกายมีสติลูปกายอยู่ตลอดเวลามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะบอกมันจะแสดงเดวลามีสติเห็นกายมันก็เห็นจิตกลายเป็นรูปประทับจิตเป็นนามธรรม ท, ทั้งสองอย่าง มาให้เราศึกษายอ่อเข้ามามั้นแผนที่โลกยอ่อให้เราดูใกล้ๆอยู่หน้าจอแล้วก็ดูเอาว่ามันคืออะไรมันแสดงอะไระแสดงความทุกข์ให้เห็นอย่าเข้าไปเป็นแสดงความหลงเห็นอย่าเป็นให้เห็นให้ลู้เห็น ให้พบเห็นถ้ารู้เห็นพบเห็นมันมีคำตอบแล้วไม่เป็นมันทุกข์ไม่เป็นทุกข์มันหลงไม่เป็นหลงมิจะเห็นก็มีมิหลอกให้เห็นให้ดูไม่มีค่าสุขไม่มีค่าทุกข์ไม่มีค่ า, คาสนุกดีมันจ ะ, จะแสดงออกมาให้เราเห็นเนี่ยสิงที่ เกิดกับกายมันก็จะมีการห <c oughs> ลงตนนั่นเป็นโศกเป็นทุกข์ากายมัเป็นโศกเป็นทุกข์ <c oughs> อยาให้เป็นโศกเป็นทุกข์ให้เห็นเฉยๆกาสัมวาคาย ไม่ใช่ฉศบุคนตัวตนเราเขาถ้าเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นตัวเป็นตนอะไรที่มันเกิดให้ทำให้เป็นเกิดกับกายมีมากความปวดความเมืยความร้อนความหนาวความหิวเป็นผู้ปวดเป็นผู้มื่อยเป็นผู้ร้อนเป็นผู้หนาวเป็นผู้หิวอันนั้นมันเป็นให้เห็นเฉยเฉยจบลงง่าย ถ้าเห็นเราจะหัวล้อจะ <c oughs> เป็นหัวล่งออกหนักถ้าเห็นเราจะเบาเบถ้าเป็นเราจะหนักลดพลังความหนั ก, นกด้วยอาการเห็นถ้าเป็นมันหนั ก, นกลองดู<อ>ให้เห็น มื่อกเราเห็นกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันเบาๆเราเห็นอยู่เบาๆดีๆจะเบลดักทึบเข้ามาเนี่ยมันรู้จุกสัมผัสได้แล้วก็หวังเห็นซะอย่าเป็นซะจิตจะเป็นอย่างนั้นเห็นไม่เป็นสุก็เห็นวันสุกไม่เป็นสุกทุก็เห็นวันทุกไม่เป็นทุก จะได้เกิดภาะวะเห็นทบเห็ น, หนตู้เห็นเห็นแบบนี้ไม่จะเห็นแบบใช้สมองความคิดมีหลักพิสูจน์อะไรมันเกิดมาตรงตรงเห็นมันเกิดขึ้นมาค่อยเห็นอย่าไปหามันเราไม่หลักดูอยู่แล้วไม่สติไปในกาย กายเราก็มีเหมือนกันลักษณนะเป็นอันเดียวกันหมดมันสรุปรองให้เราได้ศึกษาแบบง่ายๆมันเกิดเลยขึ้นกับกายไม่เห็นตอบได้แล้วเห็นไม่เป็นตอบได้แล้วเฉลยได้แล้วถ้าเป็นเราไม่ได้เฉลยเป็นกนารบ้านทุกเป็นทุก เป็นหลงโกรธเป็นโกรธพอใจไม่พอใจมันจะต้องเป็นอยู่แบบนั้นถอนออกมาให้เห็นซะ ใ, ให้มันจบมันจบไปแล้วไปสิ่งที่มันเกิดเพืบกไปจบไปแล้วผ่านไปแล้วเป็นทางผ่านเหมือนการเดินทางผ่านอาการต่างๆ ที่มันเกิดขึ้นเกิดก่อเกิดขึ้นเกิใจทั้งสอวนย่อนมันร่วมเบือการเป็นตัวเป็นตนเป็นพวกเป็นชาติแล้วเกิดสุขก็เป็นสุขทั้งหมดเกิดทุกข์ก็เป็นทุกข์ทั้งหมดทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมเป็นดุนเป็นก้อน เป็นเกิดเป็นเจ็บเป็นชีพเป็นตายอยู่ลักษณะแบบนี้ได้เห็นแลวจะคุ้มกันเนืดของภกของชาติได้ง่ายๆแบบนี้พลังน้ำหนักก็จะไม่มีเบาๆคามผัดความเบาสวามผัดความดักจะให้เราได้บทเรียน ที่ประสบการณ์บทเรียนที่เกิดขึ้นกับเราเองเราก็จะได้สัมผัสดับบัดความหลงสัมผัสความไม่หลงสัมผัสความทุกข์สัมผัสความไปทูก นี่คือบทเรียนที่มีค่าบทเรียนที่ไม่ต้องมีคำถามเป็นคำตอ บ, ต อ, บ <c oughs> อืมก็นวดนะฮะก็เป็นอย่างนี้นะมันใช้งานมันค่อยสะดวกอืมอืมนี่นะ เดี <Harlem> like ๋ยวนี้จะต้องเลยลีกทางแล้วเอ็นพูดนำไม่ได้แต่ก่อนนำนหน้าแต่นี้ต้องตามหลังก็ลองท่านว่าหัวดำออกก่อนหัวดอดตามหลังไห้หัวดำออกก่อน เราก็มีที่อาศัยมีอาจารย์เปบสารมีเพื่อนภิกษุสงฆ์แต่ก็อยากจะมีส่วนร่วมในการศึกษาแบบนี้อ๋อเดินทางมายาวไกลแต่สบการในเรื่องนี้จริงๆจะไม่พาหลงทิศหลงทาง เดินทาง ม, มาไกลมากการศึกษาเรื่องชีวิตเนี่ยกลุ่มลูกคุขานมาหลายรถหลายชาติกว่าจะมาถึงที่ได้ต้อควรที่โชว์ผีมือสักหน่อยถ้าเป็นพระเอกก็เป็นพระเอกได้โม่แสดงมาหลายหลายฉากในเรื่องนี้ตอนนี้เป็นพระเอกมันต้องสู้ ความทุกขวามยากเราสูกความทุกขมยากไว้ได้มันก็ไม่ชื่อว่าพระเอกในหน้าจอนางเอกเป็นชายกับพระเอกเป็นหญิงหรือนางเอกในเรื่องการใช้ชีวิตก็ว่าสำเร็จก็ว่าสำเร็จทำไมจะไม่สำเร็จทำได้แล้วมันหลงก็เป็นลูก ในควมหลงไม่ความรู้ไม่ชิดหลงเป็นหลงไม่มีใครทำไม่ได้ในความทุกข์ในความไม่ทุกข์ทบได้ทุกคนในความโกรธมีความไม่โกรธเราทำตรงนี้ทำยังไงก็ได้ทำเล่นๆก็ได้มีชิทธิมันหลงไม่ชิทธิไม่หลงมันทุกข์ไม่ชิทธิไม่ทุกข์ เป็นธรรมที่สุดจึงหน้ากระตือเรือโลนปิดไม่ได้ต้องบอกผู้หัวคนบอกควางเทิดขวางจริ ง, งนะนะกมหลงไม่จริงก็งไม่หลงมันจริงความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์ไม่เง้นจริงความไม่เที่ยงเง้นจริงแบบไม่เที่ยงแต่มันไม่จริงแบบมันเที่ยง ตัวทุกมันจียงแบบเป็นทุกแต่มันไม่จียงแบบไม่ทุกทกไแบบ็ไม่ใช่ตัวตนมันจียงแบบไม่ใช่ตัวตนแต่ไม่ไม่จียงแบบตัวตนง่ายง่ายไม่ใช่เป็นการบ้านน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้แต่คนส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเพราะถูกความไม่เที่ยงเปิดเพื่งก็เสียใจร้องหนักทั้งทั้งที่มันแสดงตามความเป็นจียงของมัน สภาวะธรรมต่างๆเ็ามีความไม่เที่ยงความไม่ทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนครอบครองไม่ว่าอะไรในโลกนี้ที่ว่าสามันลักษณะแต่เมือกันหมดพวกเขาแม่น้ำต้นไม้อากาศชีวิตของเรายิ่งตรงๆเข้าเป็นเรื่องนี้โดยตรงไม่มีใครหลีกเดียงได้นี่แต่เราเห็นแจ้ง ถ้าเห็นแจ้งง่ายๆถ้ายังไม่เห็นแจ้งก็หนักควไม่เที่ยงเป็นทุกข์สุดแสนสาหัส็มันทุกข์ก็เป็นทุกข์สุดสนสหัสอดเนื้อหัวตัวกับความเป็นทุกข์เคยผ่านมาไม่ใช่ท่องได้แต่ปากถึงข่าวมันไม่เที่ยงอะไรเกิดขึ้นท่าจากของเล่าของเชืบอใจเกิดขึ้น วามครับแค่ใหญ่เกิดขึ้นทั้ังไงถ้าเราไม่ปึกมันก็ทำให้เป็นจนจนตรงนั้นเวลามันทุกจนตอความทุกข์สารภาพความทุกข์ยอมรับความทุกข์สรรภาพความทุกข์ถ้าเราเห็นเรายอมรับนี่คือความไม่เที่ยงหัวละ ให้สารภาพต่อความไม่เที่ยงให้ความไม่เที่ยงมาลงโทษนี่แต่ว่าไม่ยอมไม่ไม่ไม่จำนวนไม่จำนวนต่อความไม่เที่ยงไม่จำนวนต่อความไม่ทุกเกี่ยงแบบมันทุกแบบได้น่ะแต่มันไม่เกียงแบบไม่ทุกก็ไปยอมเราจะไม่ยอมทุกเพรกความไม่เที่ยงจะไม่ยอมทุกเพราความทุก ทำได้ไหมเนี่ยทำได้ทุกคนกระตือรหลล้นตรงนี้มากจะบอกผู้บอกคนเมื่อมันผ่านตรงนี้ไปแล้วเรื่องความแก่ความเจ็บปองตายเป็นเรื่องง่ายเป็นล่างง่ายเราไม่ใช่ดูศึกษาด้วยความรู้ทำเป็นด้วยไม่ใช่รู้เฉย ทำเป็นการเป็นเนี่ยไม่ใช่เรียนรู้เป็นการเพิกคันเวลามนหลงลูกไงทำเป็นไหมนั้นจะมีให้หลงเวลาเราดูกายดูไปในกายไปในเวทนาไปในจิตมันจะเกิดตรงนี้แหละทางแยกมีโกกะบ้างข้ามให้ได้ กายกจะพาให้หลงไม่ต้องหลงไม่กายทุกระดีอะไรที่เกิดขึ้นกับกายไม่เจอภาวะที่รู้แต่ก่อนเป็นภาวะที่หลงเป็นเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์สุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุก ข, ข์ก็หมาลู้เล้วไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์ มีแต่เห็ น, หนชื่อหน้าได้เมื่อก็เราเห็นงูเห็นทุกเห็นเห็นงูพิษจะเห็นงูก็ไม่ใช่ไ ป, ไปให้งูมันกัดถ้าเห็นแล้ว <c oughs> ไม่เป็นทุกข์ทนจกทุกข์ง่ายๆไม่ได้ก้าวไปเชิงหน่อย <c oughs> เป็นการทำความเห็นให้ถูกต้อง <c oughs> <c oughs> จิงที่เห็นไม่เป็นรุ่นเป็นก้อนเวลาเป็นสภาวะธรรมน้อยๆไม่ยิ่งใหญ่อะไร เห็นทุกไม่ใช่งูจริงๆแต่งูจริงก็ต้องก้าวหรือถอยหลังหรือหนีไปจํานวนคนจับงูแต่พอเห็นทุกที่มันเกิดขึ้นเลยทุกข์อริสัตต์เนี่ยทุกข์ที่คนเป็นทุกวันเน่ในโลกเนี่ยมันไม่เหมือนงูเพียงแต่ความเห็นที่มาเรามีแล้วที่เรามีที่เราตั้งไว้แล้วเนี่ยมันก็ง่าย ให้เห็นไม่เป็นก็มีมาพ่อมกันเลยภาวะที่เห็นเห็นก็ไม่เป็นให้ชานาญในการนี้บ้างให้เห็นเลยจะเห็นอะไรเป็นศุกเป็นทุกข์ไมมไม่ใช่ทุกข์ก็เป็นทุกข์ตลอดตายหลงเป็นหลงตลอดตายโกรธเป็นโกรธตลอดตายไม่มีการศึกษาแบบนั้นตัวหนีไม่พ้น ในเด็ข้ามสักทีเลยมันบอกหลองบ้องเทศของจริงมันบอกเจอทุกคนบอมีสติไปในกายก็เห็นเรื่องนี้แหละอย่าเอายากอย่าเอาง่ายอย่าเอาผิดอย่ า, าถูกถ้าทํายากก็ทาถ้าท ำ, าาาทำ ถ, าถ้าทำยากก็หยุดถ้าทําง่ายก็ทําให้ความยากความง่าย พอทำพอหยุดไม่ใช่ให้เห็นเฉยเฉยเดี๋ยวให้ไปถึงยากเดี๋ยให้ไปถึงง่ายให้เห็นนั้นผิดก็เห็นย้าให้ผิดเป็นผิดนั้นถูกก็เห็นไม่ให้ถูกเป็นถูกนั้นเห็นอันเดียวมันอันเดียวเป็นคนเจลูกเดียวคนเจลูกเอกนี่ให้หัดใช่ให้เป็นถูก ทุกมีในกายในเวทนาคิดมันก็คิดมีมันจะแดงออกมานั่งอยู่นี่กำลังเคลื่อนไวหวมืออยู่นี่มันคิดออกไปโดยที่ไม่ตั้งใจอยหลงตรงนี้มันคิดเป็นอันหนึ่งเรานั่งอยู่นี่อันหนึ่งตัวลู่นี่เป็นผู้ดูอยู่ให้เห็นมันสองลักษณะอันหนึ่งไม่คิดไป นั่นหนึ่งนั่งเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเราก็ดูเห็นอยู่เนี่ยถ้าเราไม่เห็นเรื่องใหญ่ไปแล้วความคิดหอบหิ้วไปได้เราให้ไปได้เสียเวลาได้เห็นมันก็ไม่ไปมันคิดก็เป็นเรื่องคิดไม่ใช่ตัวตนในความคิดสนมากก่อนจะหลงในความคิดนักปฏิบัติ เป็นสุ ข, ขเพระเ า, าระว ค, ความคิดเป็นทุกข์เพราะความคิดโดยกิเลสตัณหาเพราะความคิดความคิดเนี่ยมันเ <c oughs> งียบนาจถ้าเราไม่รู้มนันคิดที่ไม่ตั้งใจ้ะตั้งใจคิดเนี่ยไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แล่ไม่ควรมาตั้งใจคิดในเวลามา ศึกษาเรื่องกายเรื่องใจไม่ใช่หาคำตอบจากความคิดเป็นการกระทำรุ่นล้วนจรรมจำแนกไปเองกรรมฐานมันศักดิ์สิทธิ์ว่าแต่เราตั้งไว้ในความรู้นี่ยมันจะศักดิ์สิทธิ์ให้มันมีพลังขึ้นมาเมื่อพลังในความรู้มันถลาได้กายกระโจนได้กลาย เหมือนคนมีพลังย่อมทำอะไรได้มนความอ่อนแอคนแก่คน เ, เ, เท่าเหมือนพวกเราก็ทำอะไรไม่ค่อยได้พลังในความคิดอย่างสมเนตอกันหมดไม่เอามาอ้างว่าแก่ว่าเท่าหน้าหนุ่มว่าสาวเพศวัยรุ่นที่ใดนี่ก็ใดไม่เกี่ยวพลังแห่งความรู้เนี่ยมันเสมอการตามลักษณะ แก่แล้วทำไม่ได้ไม่ใช่หนุ่มแล้วทาไม่ได้ไม่ใช่ปต่ศึษาเรื่นี้ต้องให้รอแก่ให้เท่าก่อนนั่นไม่ใช่คนหนุ่มก็โกรธเป็นคนแก่ก็โกรธเป็นคนหนุ่มก็หลงเป็นคนแก่ก็หลงเป็นทุกเป็นเสมอกันหมดเราจะมีหน้าที่กรารศึกษาเหมือนกันหมดไม่ใช่คนนั่นศึกษาเรื่องนั้นคน น, น, าานั้นศึกษาเรื่องนี้ไม่ใช่ สิดเรามีกาย น, <c oughs> นั่นเดียวกันรูป <c oughs> นามขันธ์ห้าถ้าฉีขันธ์ห้ า, หาจะหลงตรงตายตรงเวทนาตรงกิจที่มันคิดตรงทรมก็งัวงองหอนอนเป็นธรรมรวมคิดสงสัยเป็นธรรมรวมสงบเป็นธรรม ความพุ่งส้างเป็นธรรมตามคนละอย่างมันก็มีมีรสชาติเ <c oughs> ต้าโมเหงาห่อนอนก็มีรสชาติแต่มายิ่งใหญ่ความหลงเล่ห์สงสัยก็มีรสชาติเอิดนเปินในความมัวมัวอยู่นั้นกับความคิดลังเลสงสยัย ไม่มีการกาะเกิดขึ้นหาคำตอบจากความคิดทําไมทําไมทําไมทําไมมันจึงหลงหลงก็หลงน้อยแต่เราว่าทําไมทําไมมันหลงทําไมมันเป็นอย่างนี้นั่นคือว่าเจ๋อเวลาถ้ามีคำว่าทําไมผู้เจริญสติตมีแต่หนึ่งสองหนึ่งสองเข้าไปเลย หงก็คือลูกสงสัยก็คือลูกชุก็คือลูกทุกข์คือลูกวุ่นคือลูกสงบคือลูกทุ่งซ่านคือลูกแต่เนี่นะครับตรงนี้ก็หลงนะเวลามันสงบชอบเวลามันทุ่งซ่านไม่ชอบแย่วันนี้ไม่ไหวแย่ คิดมากกุ้งซ่อนเครียดเป็ไปตามอาการเสียเวลาถ้านักเดินทางเสียเวลาต้องผ่านตลอดฟีเวสติเป็นฟีเวผ่านได้ตลอดเหนทางด่วนฟีเวของสหรัฐอเมริกาประเทศไทยเราไม่มี ประเทศสหรัฐนฟรีเวเขามีตูวประเทศนกนั่งก็นั่นที่วิ่งฟรีเวย์รถบรรทุกตัวดโดยสารนั่งไม่ได้เดินไม่ได้วิ่งไม่ได้ทําให้วิ่งทางเช่นนี้เป็นทางฟรีเวย์เฉพาะรถนั่งไปทํางานหน้าอันทีสิบนทีกําหนดได้ ตอนหม่เที่ยงไม่เทงโมงกำหนดได้เพราะมันเป็นฟรีเวย์น่าจะฐานการเจริสริก็เป็นฟรีเวย์สะดวกที่สุดสะดวกในการผ่านนะผ่านมันหลงรู้ผ่านแล้วเราความหลงไว้หลัง ง, งงหอวห อ, อนเราเลยสงสัยสงบกุ้งซ่านลูกเป็นธรรมมาลมเป็นธรรมกุศลเป็นอกุศลรูกกุศลก็อความฉลาดสงบรุกงูกไม่อยู่ในความสงบก็อยู่ในความสงบมอนก็ติดได้ง่ายง่ายถ้าจะฝึกแบบสงบเคยฝึกมานานพอสมควร บริกรรมพุทธโธเข้าไปหายใจเข้าพุทธหายใจออกหายเจ้าไต่เข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทแล้าไปให้พุทธโธตามลมหายใจยดับตาลงไปอีกบางคับลงไปก็สงบบางทีมันขินนักมากไม่ต้องว่าสักคํา ม, มันก็มันหิว เวลามาจากท้องไล่ท้องนานาเข้าห้องพระตอนั่งหลงก็มันจะสงบตั้งแต่เปิดประตูเข้าไป น, น่นถ้าวันไหนที่สํารวมระวังถ้าวันไหนไม่สํารวมก็ยากหน่อยมันเปะมันเปืเ้อนนักพุทธก็ดีนะเขาชำนาญเขาสําสรวมดี ศ้นบริสุทธิ์ไม่ผิดศีลผิดธรรมง้นกลัวจะทำสมาธาิได้ยากเ็ามันติดมันเกินติดสมบเนี่ยเดี๋ยวที่ไหนก็คิดถึงห้องพระแต่นั่งสมบงปดลืมอมันได้พักผ่อนเหนื่อยมาก็เมื่อเข้าไปห้องดกควงสมองหอยเหนื่อย มันก็ดีเมื ง, งานสมธาธแต่ว่ามันตาอยู่ตรงนั้ น, ม น, มนไม่มีปัญญายังมีกิเลส ต, ต้นหาม่ความโกรธควโลภความหลองอยู่ออกจากความสงบแล้วเหมือ น, นเดิมเตนเรามาเพิกนี่เป็นวิปัจนามันสงบเห็นมันอ่ะไม่ไปอยู่ในความสงบเรียกว่า วิปัจนาฯยกกิจขึ้นรู้สู่วิปัจนาภูมพคือรู้จะปั๊บได้พิปัสนาเลยได้กระแสแห่งพระในพ่านเลยรู้ห้องสงบรู้อันพุงซ้อนรู้นี่คือสู่วิปัสนาญาณภาวะที่รู้ที่แรกกับรู้เฉยๆต่อไปจะเป็นญาณปัญญา เกิดวิปันาญาณขึ้นว่าลู่ลูบลู่น้ําตามความเป็นจริงแต่ลุทะหลวงได้สิ่งที่ผ่านมามันบอกบอกกับสะท้อนกับหบทเรียนมาเยอะแยะตอบไปขึ้นหลังในหมดสิ่งที่ผ่านมาเหมือนเราเดินทางจากที่ไหนมาถึงสุโกโตเนี่ยเมื่อถึงสุโกโตแล้วตอบได้เราผ่านที่ไหน เผ่านที่ตรงไหนมาเที่ยวหลังก็ง่ายหลับตามาก็ได้เงนทางเราเคยเดินเคยเที่ยวมันก็ง่ายทางใครทางมันทางของคนก็ไปทางต่ำๆโขกขาทางมนุดไปสูงๆสะดวกถ้าทุกเป็นทุกเรียกว่าทางโขกขาถ้าทุกไม่เป็นทุกทางเรียบเรียบ ทางชีวิตมันเรียบเลียกว่ะริมกักนม่มีรสชาติโขะสะดุดทุกข์เป็นทุกข์หลงเป็นหลงโกรธเป็นโกรธรักเป็นรักชังเป็นชังโขถ้าลูกมันเรียบเหมือนตีดยตะไว้เหมือนมิตรภาพตะวันที่ลูกเป็นมิตรภาพชีวิตจริงจริง พอเหยียบปั๊บเนี่ยมันก็ได้แล้วสำเร็จมันเป็นปัจจัุตังไม่ต้องมีคำถามเป็นอย่างไรในการเดินทางชีวิตแบบนี้เร้ยว่าศึกษาธรรมะเนี่ยมันตกพื้นหลังได้เรียกว่าจุ อาสวัตงเรียกว่าอุพเพนิวาสานุสติญาณญาณตอบเกิดหลังแต่ก่อนเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเกิดขึ้นแก่พระองค์ในคืนวันเป็นเดือนหกโอ้เจริญชติีแบบนี้ไม่กี่ชั่วโมง เกิดยานสามขึ้นแก่พระพุทธเจ้าแก่เพราะศิทธธัตถะตอนนั่นยังไม่เป็นพระเจ้ายังเป็นศิทัตถะอยู่ยก็ทําแบบเราเนี่ ย, ยนั่งอยู่ต้นสีผ้าโพกไม่มีศาลาไม่มีกระดานนั่งเหมือนเราเราะไม่มีเพื่อนเลยทู้อยู่เนี่ยเหมือนเราเนี่เละกายก็เหมือนเราเนี่ยใจก็เหมือนเราเนี่มีจิตริตั้ทั้งนั้นเหมือนกัน ชวนให้คิดเมื่อครัวเราด้วยงั่งคนเดียวในป่าในตดง <c oughs> มีพิมพ์พาสวยงามมีลาอหนุนพึ่งประสูตรใหม่ๆได้เจ็ดวันจากวันที่ออกบวชได้เจ็ดวันต่อวันปีมัด บํเพนนี่เป็นปีที่หกของเจ้าน่ารักมากหกปีแล้วหนาหันหน้าคิดถึงกลับมาต้องให้ความคิดคิ้วไปก็ไปได้กัลวิลพัฒไม่ยากจากพุทธคยาไปกัวิลพัฒไปได้คิดถึงเพียมถากลับมาเห็นความคิด คิดถึงระลาชะซับสินสะดึงคานคิดถึงสาวสนมกำนันนายไม่มีบุหรีเ่เพูนเลยดีสีดีเป่ากับกล่อมพัดวีม <c oughs> ีประชาติตทั้งสามฤดูแต่ไม่เปรียบเทียบกับสีมหาโพนเปรียบเทียบไม่ได้เลยเรายอมคิดขนนดนั้มันก็ยังเก่าขึ้นมาได้ครับนะ กลับมาแล้วก็ม่คิดไปกลับมาคิดไปกลับมาปฏิบัติคือกลับมาเอามันจนแหลกเลยนะใครก็เหมือนกันนั่นะอย่ามาเนึ่ว่าเราคนเดียวเหมือนกันหมดเปิดเพื่อนไร่าชีวิตลดมือสองทั้งนั้นแล้วก็มีลอยทั้งนั้นรอยรักลอยแค้นรอยสุขรอยทุกข์ลอยได้ลอยเสียลอยผิดลอยถูก <c oughs> มือมเกิดหมดจนเกิดย้อนขึ้นบุปเป็นนวาสอนุสติยาอนเฉลอยขึ้นหลังแต่ก่อนนันเป็นอย่างนี้วันนี้ไม่เป็นอย่างนี้หลงเป็นหลงวันนี้หลงเป็นรู กิเลสเป็นสิเลสตันหาเป็นตัญหาราคะเป็นราคะปุงชนหมดตัวปอมันเห็นมันไม่เป็นแล้วมีอถืออืมเดี่ยวิปัสสนาเกิดขึ้นอืมต่อมาปตุตุปัจจยานเดี๋ยวนี้กิมันเป็นอยู่ตรงไหน แต่ก่อนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนี่อยู่ตรงไหนจุตุไปว่าที่เกิดที่ตั้งเดี๋ยวนี้อยู่ไงไปอย่างนั้นได้ไหมไม่ไป่านถ้ให้หลงเป็นหลงมันไม่ถูกท้องหลงต้องเป็นลูกโกรธเป็นโกรธไม่ถูกท้องโกรธต้องเป็นลูกจูตุไปว่าได้ที่ตั้งแล้วได้ที่อยู่ได้หลักมันจใจ ตบได้ไม่เหมือนเก่าพ่นภาวะเก่ามาด้วยการกระทําของเราเองเนะถ้ามาจะตบไม่ได้นั้นบ่งบอกถึงภาวะถมที่เกิดขึ้นต่อมาขยรอนที่สองเกิดขึ้นว่าเอาะสะวะัขยาอนทำให้ชิ้นไปจะมีรสชาติเหมือนมเมื่อก่า มันไม่เป็นไปแบบนั้นมันจืดมันไม่เป็นไม่มีค่าแต่ก่อนสุขไม่ค่ามีรสชาติทุกข์กว่าไม่ค่าปลอมลักไม่ค่าเพื่อเพินในความหลงเพิ่อเพในความพอใจเพื่อเพินในความเกลียดเพื่อเพินในความกิเลส ต, ตัณหามันเพิดเผินมีอาสาทะมีรสชาติพอมา ทำให้อสะวรรยานชิดไปไม่มีรสชาติเที่งไว้ก็ไม่ไปหยุดเช่นนั้นให้หลงเจ้าหน่อยได้ไหมให้โกรธเจ้าหน่อยได้ไหมบังคับไหนก็ไม่มันค่มขืนชีวิตมันเป็นไปไม่ได้จะให้ไปโกรธให้ไปถูกไปทุกเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลย จกทำเท่านี้ล่ะโอสติมาดูกายดูจิตเนี่ยเท่านี้เห็นกายเห็นเวชราเห็นจิตเห็นธรรมตามสูตรที่เราได้ยินมามากเรื่องเนี้ย <c oughs> แล้วมาทำมันเกิดเป็นจริงจริงหนะักในพระสูว่าถอนความพอใจและค ว, มวามไม่พอใจในโลกออกเสียไดย้คือวิสติมันถอนออกมา ความพอใจเป็นรถของโลกความไม่พอใจเป็นรถของโลกมีสดิถอนออกมาถอนออกมาในสติตัง้งอยู่ในสุขถอนออกมาในทุกถอนออกมาไม่อะไรที่เป็นรถของโลกต้องหลายทั้งหลายเป็ดหมื่นสีพนอย่างมันมาให้เราได้รูปคำมันสองพันเอาแถวมาให้เราได้เห็น จนล่วงพ้นภาวาเก่าพอดิอยาณสามเกิดขึ้นก็วไ่ได้ทิศทางไดทิศทางเหมือนว่ามีผลเหมือนเราทำอะไรที่มันมั่นใจมีผลางามนเกิดขึ้นพิสูจน์ได้มันเท็จมันจริงอย่างไงในเที่ยงคืนยันย์สาม ก็สะดวกไปแล้วสะดวกแล้วไม่มียานสามแตขึ้นสะดวกเหมือนเราทามาในการอะไรสะดวกเป็นความสะดวกในการศึกษาเหมือนรถวิ่งทางเปี่ยวไม่มีจักรยานติดขัดก็สะดวกวิ่งเราวิ่งเอาวิ่งเอา ปาให้เราผ่านไปผ่านไปผ่านไ ป, นไปทบทวนแล้วทบทวนอีกทางเส้นนี้กลับไปเอาใหมา่เหมือนเร า, ารขึ้นกอนขวดขึ้นก้นหินขึ้นเขาขึ้นที่สูงให้มันคขิ้นมาขึ้นไปอีกมันขึ้งไปจะให้มันอยู่ไม่ได้เพราะที่สูงที่ต่ํา เที่ยงลงไปให้มันอยู่ไปล่ะวเที่ยงลงมาจะให้หลงงันไม่อยู่ไม่อยู่ในความหลงมันก็ลงมาหมดเหมือนสะดวกไ ม, ไ, ม ไ, มไม่มมีวิธีใดที่สะดวกเท่ากับการเข้าถึงธรรมเรียกว่าเอียงไปไหลไปเหมือน แม่นะ้ำไหนจากที่สูงตรงสูงที่ต่ำ อ, อะไรก็ช่วยเราบ้างแต่ก่อนความทุกข์เป็นความทุกข์อดนี้ความทุกข์เป็นไม่ทุกข์ความไม่เที่ยงเคยเป็นทุกข์แต่นี้ความไม่เที่ยงก็ไม่เป็นทุกข์เงาสนับสนุนเป็นเครื่องมือเราความไม่เที่ยงอย่างเดียว ก็เอียงไปแล้วสูงมากสูกผลน่ลยเห็นที่เราผ่านมาชิ้นที่เราผ่านมาในรูปในดาไม่ควรมายเที่ยงในรูปในนามนนไม่ควรมนทุกในรูปในนามนนไม่ควมาช่ตัวตนรูปมันบอกนามมันบอกกายมันบอกใจมันบอกเป็นสูตรของขอ ง, ของ ในความไม่เที่ยงในความบรรทุกในความเช่ตัวตวนนะพอให้เอยียงมากสะดวกมากแต่ก่อนในความไม่เที่ยงหนักมากในความบรรทุกห น, นักติดขัดมากพอมาเห็นแค่และมันมีน้ำหนักเป็นมรรคเป็นผลตรงนี้ขึ้นมาจากนัก คือทำผลไม่ต้องทำเลยบอกว่าเห็นไม่เป็นจะเห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์พ้นจากความทุกข์ง่ายไหมเห็นโกรธไม่โกรธพ้นจากความโกรธเข้าเดียวกันมีสามอย่าง เห็นอะไรมันเป็นไปแบบนี้เห็นเพื่อควาหลุดพ้นไม่เห็นเพื่อความอยู่เห็นควาหลงไม่หลงพ้นจากควาหลงง่ายๆอ ย, ย่านเรียกว่า อ, อ, อิสัตชเห็นของจริงอันประเสริฐแบบเนี้เห็นหลงไม่หลงพ้นจากหลงเห็นทุกข์ไม่ทุกข์พ้นจากความทุกข์เห็นสมุทยัย ที่มันเป็นเหตุไว้หลงคนจากเหตุได้เห็นมักทำแล้วทำแล้วประกอบแล้วมักคคอดูดูแล้วเห็นเห็นไม่เป็นสะดวกที่สุดแลวมักนี่หละมักไม่ใช่ไปอ่านตำรามักเคยเห็นเห็นแล้วไม่เป็นดูนี่แหละดูเห็นเห็นไม่เป็นเป็นมัก เมื่อก็มีโลดก็หลุดพ้นหลอนี้จะหลุดพ้นไม่โลดเป็นจุดหมายปลาทางเป็นจุดหมายปลายทางของนักบวชคือวิมุตหลุดพ้นจากปังหาต่างๆในชีวิตเราเนี่ยนั้นเป็นไปได้ทุกชีวิตไม่สิทธิ้งถ้าทำถูกก็ได้ความถูกถ้าทำผิดก็ได้ความผิดได้จมูกหัด ฝึกตนสอนตนเนะมันก็มีรถมีชาตินะมันพูดธรร ม, มนะเน่เดือเวลาแล้วนะ <c oughs> ำขวัญใจเวลาแล้วนะ